ขอ Nom Nom ต่อคุณ <c oughs> พระรัตนาตรัยโอกาสพระอาจารย์ยุขีเพื่อนสมาธิธรรมีกทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชี่และญาติธรรมทุกท่านเนาะก็นั่งสบายๆเนาะการที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยใหม่ๆแล้วก็มารู้สึกตัวก่อนเนาะรู้สึกตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยมันทําไมต้องมารู้สึกตัวเพราะว่าเราปกติเราจะมีความคิดอยู่เรื่อยๆนะคิดเปในอดีตคิดเปอนาคตเนี่ยมันคิดทั้งวันทั้งคืน คือหน้าที่ของสมองอหรือจิตใจอะไรเนี่ยมันมีหน้าที่คิดอย่างเดียวนะมันคิดของมันไปเรื่อยๆทั้งวันอยู่แล้วเนาะเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นความหลงที่ว่าเรารู้ไม่ทันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นความเคยชินอย่างหนึ่งที่ว่าเราจะหลงอันนี้ก็ไม่เรื่องปกติธรรมดาเนาะและการที่มันหลงเนี่ยล่ะเขาเรียกว่าเป็นโมหะโมหะก็ไปอ่าหลงเข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติเลยนะมันรู้รู้ไม่ทันหลงก็ไป ทำให้เกิดความโลภความโกรธต่างๆ ต, ต, ต, ตามมามากมายใช่หไหมเพราะหลงท่องวันนี่ยตรงนี้มันนําความทุกข์มาให้เราคราวนี้วิธีแก้ความหลงก็คือต้องทําความรู้ให้เกิดขึ้นความรู้จะรู้ตรงไหนนะอ่จริงๆก็รู้ทันความหลงนั่นแหละคราวนี้วิธีการรู้ทันความหลงก็คือกลับมารู้ทีกายเนี่ยมันง่ายๆนะอย่างที่พระเจ้าบอกว่า <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้นะดื่มกินพูดคิดก็ให้รู้ทั้งหลายเราเนี่ะ บทใหญ่บทย่อยก็คือรู้หมดนะทุกอย่างที่เราเคลื่อนไหวนะตรงนี้ถ้าเราสามารถรู้ในจิตใจวันเราได้ก็ทําไปนะกวาดบ้านถูบ้านแปรงฟันอาบน้ําล้างหน้าซักผ้าทั้งหลายแหล่ก็ทําในจิตใจาวันเราอยู่อยู่แล้วนะแล้วก็เพิ่มตัวรู้เข้าไปนิดนึงเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปนิดหนึง่งเนี่ยตรงนี้เป็นจิตใจวันของเรานะถ้าเราทําได้แบบนี้นะอีกน่อยเรากลับไปบ้านแล้วก็ใช่ไหมเราก็สามารถเจริลิกติดในทุกแห่งเนาะ ครั้นี้ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมาฝึกก mm ่อนเพื in in you know, omas, ่อให้มันต่อเนื่องนะต่อเนื่องก็คือรู้ในในอ่าสิบสีจังหวะนะเจริญสิบสีจังหวะแล้วก็เดินจงกรมอันนี้ให้ต่อเนื่องกันนะตรงนี้พอเรามีหลักมีมีมีฐานให้ใจเคยมีเครื่องเกาะแล้วต่อไปเขาก็เกาะได้ง่ายขึ้นนะมั้ยพอเกาะปุ๊บเนี่ยคือใจที่มันเคยหลงไปแล้วเนี่ยมันก็กลับมาได้ง่ายขึ้นคือมันมีเครื่องอยู่ของใจมีวิหารธรรม มีให้เขา้าวนะิจิตมีงานทํานะจิตมีงานทําก็คือเครื่องรู้กับมลูกายบ่อยๆนะเราหลังจากนั้นเขาจะไปเห็นความคิดเห็นอะไรได้นะการที่เราเห็นความคิดเนี่ยมันสําคัญนะหลวงพอ่อเทียมบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเนี่ยเพราะเมื่อก่อนมันมีความคิดเยอะใช่ไหมตอนนี้พอเราเห็นปุ๊บมันก็เริ่มซอยสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะตรงนี้มันก็เข้าสู่นะฐานจิตเลยนะนะ จากฐานกายก็เข้ามาสู่ฐานจิตนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพวะจะบอกว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตโทสะก็รู้มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านคือการรู้สภาวะจิตต่างๆตามที่ก็เป็นจริงๆเนาะ เราไม่ต้องไปว่าเออจิตมีราคาก็ทําให้หมดราคะพระเจ้าก็ไม่ได้บอกเช่นนั้นพระวิาจารณ์จิตมีราคาก็ให้รู้มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะและก็คือเรารู้ไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปว่าอ่ต้องรู้แล้วต้องจัดการกับเขาอ่าให้เขาดับไปอันนั้นไม่ใช่เนาะอันเนี้ยถ้าเราเห็นตามความจริงนี่เราก็แค่รู้เฉยๆนะตรงนี้มันสําคัญมากนะเพราะเมื่อจิตมีกําลังนะก็คือเราฝึกนี่ไม่ได้ให้จิตสงบนะ การปฏิธรรมจริงๆแล้วเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะฝึกให้จิตสงบเป็นส่วนใหญ่นะพอจิตไม่สงบปุ๊บมันรู้สึกมันปฏิบัติมันวไม่ได้ผลนะมาอันเนี้ยก็เลยทําให้จิตสงบไปอันนี้มันแค่จิตนิ่งๆแล้วก็ติดสงบติดสงบแล้วก็มีความสุขอันนี้ก็ดีนะแต่มันไม่ใช่หนทา ง, แ ห, งแห่งการเข้าถึงปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงก็คือให้จิตเข้าตื่นรู้นะจิตตื่นรู้นี่แหละพระเจ้าก็บอกว่าความเป็นพระเจ้าก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ ก็คือเป็นผู้ร um ู้น uh uh ั่นเองนะผู้ร mm ู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเนี่ยตรงนี้สําคัญนะให้จะจิตเราตื่นรู้บ่อยๆใช่ไหมตื่นรู้บ่อยๆตื่นรู้กายตื่นรู้ใจนะในที่สุดก็คือเป็นการเขย่าธาตุรู้นั่นเองนะเขย่าธาตุรู้ให้จิตสดตื่นรู้รู้รู้กายนะกายเคลื่อนไหวใจก็รับรู้ใช่ไหมกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำเนี่ยใช่ไหม ดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเนะี่ยมันก็ประสานกันหมดเพราะเมื่อมันรู้กายมันก็เห็นใจนะเห็นใจโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปคอยจ้องคอยเพ่งเออใจเป็นอย่างไรนะคอยจ้องคอยเพ่งใจก็แข็งแข็งนิ่งนิ่งแล้วก็ตามลู้กายแล้วเราก็จะเห็นใจนะก็จะเข้ามาสู่จิตตานุปัสสนสติปัฏฐานอ่าเราก็จะตามเห็นจิตต่างๆได้นะเห็นจิตข้อนี้อ่ามีความ คิดเกิดขึ้นนะมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดูไปเห็นเห็นความคิดไปก็ไม่เข้าไปในความคิดเี่ยถ้าเราเห็นความคิดได้ก็เห็นความคิดไปนะก็คือการเห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดเราก็เป็นผู้ดูนะดูความคิดพอดูเขาก็ตัดสั้นลงสั้นลงเนี่ยต่อไปนะมันก็เห็นความโกรธได้นะความโกรธก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะคือมันจริงๆริงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะเป็นความคิดก่อนทั้งนั้นเราไม่ค่อยปรุงแต่งต่อ ครั้นี้ถ้าเมื่อเรารู้ทันความปรุงแต่งเนี่ยมันก็ดับความโกรธได้ความคิดเนี่ยเราห้ามก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมคือมันเห็นแล้วมันก็ต้องคิดหรือได้ยินก็ต้องคิดแต่มันจะไปปรุงแต่งต่อเมื่อมันมีกําลังมันก็รู้ทันการปรุงแต่งรู้การรู้ทันการปรุงแต่งมันก็น้อยลงดับลงนะตรงนี้เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่ว่าเราเห็นสภาวธรรมที่เขาเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมครั้นี้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่เจ้าบอกว่าความกิดมีโทสะก็รู้มีโทสะก็คือดูเข้าใเฉย ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเขาก็แสดงความเกิดดับใหเราเห็นเนาะตรงนี้มันจะเห็นเห็นความเกิดและความดับเห็นความไม่แน่ไม่นอนอันนี้มีประโยชน์มากแล้วนะมันจะไปเดินวิปัสสนาเดินปัญญาต่อในการเห็นไตรักได้ต่อไปเนาะครา้นี้เนี่ยก็การที่เราเห็นอารมณ์พวกนี้มันมีประโยชน์มากนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราต้องตายทุกคนใช่ไหมไม่ตัวเราตายก็ต้องคนที่เรารักเรารักตายนะตรงเนี้มันสําคัญกว่าใช่ไหม บางคนเนี need, uh, the ่ยอมีความประมาทมากนะไม่เคยนึกว่าตัวเองต้องตายเลยนึกว่าตัวเองจะอยู่ค้ำฟ้าไปหรือยังไระจริงๆแล้วชีวิตหลังความตายมันน่าศึกษามากกว่าชีวิตตอนที่เราเป็นอยู่ซะอีกนะชีวิตเป็นๆเราก็รู้อยู่แล้วเป็นแบบนี้แต่ชีวิตความหลังความตายเป็นอย่างไรมีใครตั้งใจศึกษาไหมใช่ไหมครั้เนี้ยความตายต้องเกิดกับเราทุกคนเราหนี้ไม่พ้นแล้วนะครั้นี้คนโบราณเขาบอกว่าะอ่าคนที่มีความโลภนะตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรต มีความอมีความโกรธตายแล้วก็ไปลงนรกมีความหลงตายแล้วก็ไปเป็นสัตว์เดฉา น, นานี้จริงไหมใช่ไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีส่วนอย่างหนึ่งนะคื อ, อยกอย่างคนที่มีความโกรธเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันร้อนรุ่มร้อนรุ่มเป็นไฟนะเป็นไฟจิตที่มีสภาวะใดมันจะมีภพภูมิรองรับอยู่นะมันจะไปตรงกับภพบภูมิของนรกนั่นเองนะมันจะไปดึงไปสู่นรกได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าจิตมันมีสภาวะทำใดจะมีทุกภพกภูมิรองรับอยู่ทั้งสิ้นอยู่แล้วใช่ไหมครั้นนี้เนะมื่อก่อนก็สมัยก่อนที่เป็นคารวะก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เ, เขาก็เป็นคนดีนะชอบทําบุญแล้วก็ชอบเข้าวัดชอบไปบวชธรรมด้วยครั้ น, นี้เขาก็ขายขายปลาเค็มนะแล้วก็ซ่อมรถซ่อมรถยนต์ด้วยนะครั้นนี้วันหนึ่งเขาก็งานยุ่งเขาก็พวกหลวปลาเค็มก็ไม่ทันเก็บนะ้นองชาย น้องชายก็กลับมาบ้านน้องชายเนี่ยเป็นนักเลงนะพกปืนติดตัวตลอดเวลามาถึงก็ไปว่าพี่ชายเนี่ยบอกต้องไรครั้งแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บรั้วย ห, หเรียบร้อยทำไมทิ้งเกินกาพี่ชายบอกเนี่ยก็ซ่อมรถเนี่ยยังค้างอยู่เลยนะไม่มีเวลาเก็บรัวหลอกน้องชายเขาก็ว่าอีกนะบัตดาว่ า, ว า, ว า, ว า, วาอยู่เรื่อยๆพี่ชายก็ก็พูดโตเถียงอยู่เรื่อยน้องชายก็โกรธมากเลยชักปืนมายิงพี่ชายตายเลยนะพี่ชายก็ตายด้วยความโกรธนะ ครั้งนี้ก็อาจะมากับเพื่อนๆก็ตอนนั้นก็สนใจทางธรรมะอยู่อยู่แล้วแหละก็ก็นึกเป็นห่วงเอ้ยเขาตายด้วยความโกรธนี่จะเป็นอย่างไรเนาะก็ก็น่าเป็นห่วงอยู่ก็เลยไปบอกแม่เขาแม่เขาก็เลยอ่ารู้จักกับพระนั่นแล้วก็อกับคนที่พอจะรู้เรื่องก็ไปถามหลายๆคนอ่าที่พอรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดปรากฏว่าตอบพกศ์เกือมนมดเลยบอกว่าเนี่ยไปลงนรกแล้วเนะาะก็เลย ก็เลยพวกเราก็เลยพยายามทําบ <that may matter of ulture> ah, really ุญอุที่ส่วนกุดซนไปให้เผื่อก็จะเปลี่นภพภูมิที่ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่านียคือจิตที่มีโทสะเนี่ยมันก็ดึงไปสู่นรกได้มันเหมือนกับเป็นสภาวธรรมที่มีภพภูมิก็ารองรับอยู่แล้วนะตรงนี้มันก็ถึงเหมือนสิ่งน่ากลัวนะหรือคนที่มีความโลภอยากได้มันก็มีภพภูมิที่รองรับอยู่ก็เป็นเปรตอันนี้ก็ถูกต้องแล้วเพราะความเป็นไปก็คือมันหิวอยู่เรื่อยๆนะอยากได้นู่นอยากได้นี่ทั้งหลายแหล่นี่แหละ อยากะกินนะอยากจะอะไรอยู่นะเป็นความโลภอย่างหนึ่งส่วนคนที่หลงคือคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวคนที่ไม่ค่อยมีสติทั้งหลายแหลน่นี่อันนี้ก็พวกภูมิก็เป็นสัตว์เดฉานแน่นอนนะเพราะสัตว์เดชานก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวหรอกมันเป็นสัญชาตยานแทบทั้งนั้นแต่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวนะคนที่กินเหล้านะกินเหล้าเนะี่ยแล้วก็คือตรงนี้มันมันเป็นการขาดสติแล้วก็ในสมองก็มีแอลกอฮอล์อยู่เยอะ ถ้าตายไปเราก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดชานเนาะแต่ถ้ามีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นนะคนปัญญาอ่อนนะเป็นคนที่สติมีปัญญาอ่อนนะอันนี้เป็นสิ่งน่ากลัวนะอันนี้มันมีภพภูมิรองรับอยู่แล้วแทบทั้งนั้นนะหรือนะคนที่ทําความดีทั้งหลายแหละก็มีมนะมโอกาสเกิดเป็นมนุษย์นะคนรักษาศีลมีฮิลิโอดาปะมีการบัตธรรมก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเนาะ หรือคนที่เจริญอสมาธิเจริญฌานได้ฌานหนึ่งถึงฌานสีก็มีโอกาสไปเกิดเป็นพรหมเป็นะปรูปพรหมนะหรือคนที่เจริญอรูปฌานก็มีโอกาสไปเกิดเป็นอรูปพรหมนะคือก็มีภพภูมิทุกทุภพภูมิเนี่ยรองรับสภาวะจิตในแต่ละอ่าแต่ละสภาวะธรรมอยู่แล้วเนาะแม้ก็โรงแรมนะโรงแรมก็จะมีขนะีกาส์ขีการ์ดก็คือแผ่นมะเหล็กนะเป็น แผ่นแม่เหล็กเป็นบัดเล็กๆนี่ยเสียบไปปุ๊บถลารหัสตรงกันก็เปิดประตูได้ถ้าไม่ตรงกันก็เปิดไม่ได้เนาะขีการชนี้สามารถเปลี่ยนได้นะบางทีเนี่ยออกจากโงแรมเขาก็แถมมาด้วยแต่เขาก็เปลี่ยนรหัสใหม่แล้วเราก็ไปใช้อย่างเก่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันจริงๆแล้วภพภูมินั้นมันมีเยอะมันไม่ใช่มีแค่นี้เป็นซอยละเอียดยิบเลยมันเหมือนกับเยอะแยะแต่ไม่หมดนะมันเพราะว่าสภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันก็มีภพภูมิรออยู่ทั้งนั้น ครั้ง น, นี้อยู่ที่ว่าเราไปตกไปตร ง, งกับภพภูมิไหนมากกว่าเนาะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่คนยุคนี้ไม่ค่อยนึกถึงว่าเออเราตายแล้วเราจะไปะชีวิตรังความตายเป็นอย่างไรจะไปเกิดเป็นอะไระไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะคิดถึงนะคิดแต่หาความสุขในปัจจุบันนี้ในชาตินี้เท่านั้นเองแต่ไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตเลยเป็นความประมาทของมนุษย์เนาะอ่าครั้ น, นี้ถ้าคนรู้อย่างนั้นแล้วจะทําอย่างไรนะก็คือ ปะการแรกเร า, าเรารู้ทันความโกรธไหมใช่ไหมถ้าคนที่ถ้าเราเราเราไม่มีส ต, ติจริงๆนะบางทีเร า, าช่วยด้วยกัไม่ได้ก็มีเราเป็นคนฝึกให้เราโกรธไปบ่อยนะตรงนี้เป็นอาชินกรรมที่มันจะต้องแสดงออกได้ระยะหนึ่งใช่ไหมอาชินกรรมนี่มันเป็นแสดงตอนที่เราตายได้ง่ายๆนะคนที่มีนิสัยอย่างไรมักโกรธมักโลบมักหลงนะหรือไปทําบาปอะไรก็แล้วแต่นะ มันก็จะแสดงออกในตอนนั้นพระจิตตอนนั้นมันมันเป็นจิตตกและอันจินกรรมที่มันเคยสะสมมาตลอดมันก็จะให้ผลในตรงนั้นนะเช่นใครชอบตีไก่บ่อยๆก็จะนิ้วมาชนกันเนาะหรือใครที่เล่นไพ่บางทีก็คลี่ไพ่นะในสมัยพุทธกาลก็มีมีอมีคนหนึ่งเขาเลี้ยงหมูแล้วก็ฆ่าหมูด้วยนะครั้นี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ยินเสียงคนลอกเหมือนหมูได้ยินเสียงหมูนะได้ยินแบบมันเสียงเหมือนเสียงหมูเลยก็ดูปรากฏเป็นคนลอกเหมือนหมูนะก็ มีคนมารายงานว่าเนี่ยมีคนเนี่ยลองหมันหมูแต่ก็ใกล้จะตายแล้วล่ะนะตอนนี้ก็บางคนก็ถามว่าอันนี้มีมีอนาคตว่าจะต้องไปเป็นอะไรพระเจ้าบอกเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องไปเป็นเป็นหมูแน่นอนนะเพราะว่ามันมันสร้างเอาไว้เยอะแล้วพอตรงนั้นกล้จะตายนะจินตกรรมที่เคยฆ่าหมูมันก็จะส่งผลให้จิตมันตกแล้วก็ไปรับ ว, วิบากกรรมในตรงนั้นเนาะตอนนั้นก็มีมีคนที่ใกล้ตายเหมือนกันนะอ่า แล้วก็ลูกหลานก็เฝ้าอยู่ก็บอกลูกหลานบอกว่าอ่าไล่ไป ห, หมดเลยหมดเยอะแยะไล่ไป ห, หมดปล่อยไว้ทําไมลูกหลานร้องไห้เลยเพราะไม่ ม, มด ต, ตัวหนึ่งนะแต่ว่าตอนที่ดีๆนะี่ยเจอมดไหนก็จะตีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปเผามดนะอันนี้ก็พอจิตตกแล้วอาจินกรรมที่เคยทําก็มาส่งผลใี่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็นืกว่าอคนที่กดเก่งหรือคนที่โลบเก่งหรือคนที่หลงเก่งก็ต้องแก้ตรงนี้ให้ได้เนาะ มันก็มันก็เป็นอ่ามันจะมาส่งผลในตอนตอนท้ายมันจะหนีไม่พ้นก็คือการแก้คือเราก็มีสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆให้ไวนะอ่าพอเรารู้แล้วว่าความโกรธต่างๆเป็นต้นนะมันไม่ดีใช่ไหมมันทําเรามีความทุกข์นะตรงนี้ก็ต้องรู้ให้ไวนะรู้ให้ไวแล้วก็รู้เฉยๆรู้เฉยๆเพื่ออะไเพื่อว่าเราจะได้จาําสภาวธรรมเข้าได้นะตรงนี้เรื่องจาําสภาวธรรมเนี่ยสําคัญที่สุดเลยนะเมื่อก่อนก็เคยมีนักปฏิบัติอ่าคนนึงก็มาถามว่าเออโกรธ เขาก็โกรธเก่งโกรธบ่อยจะทำอย่างไรนะเขบอกว่าให้รู้เฉยๆแล้วกันนะรู้เฉยๆรู้เฉยไปเขาก็เชื่อนะอพอดีวันหนึ่งก็โกรธลูกชายเขาอย่างแรงนะลูกชายนี่ทําผิดพลาดแล้วก็โกรธมากเขาก็เขาก็นึกได้เอออาจารย์บอกให้รู้เฉยๆนะก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรทั้งสิ้นก็รู้เฉยๆก็ขเขาก็เห็นความโกรธมันเกิดเกิดแล้วก็มันก็เบาลงนะแล้วก็เกิดแรงขึ้นมาแล้วก็เบาลงนะก็เห็นเกิดเบาลง บางทีก็หายไปแล้วก็เกิดใหม่เนี่ยวนอย่างเงี้กับทั้งวันนะเห็นความโกรธเกิดกระดับๆเนี่ยกับทั้งวันปรากฏว่าอหลังนั้นเขาก็ปรากฏว่าตรงนี้เขาจําสภาวธรรมได้นะแล้วก็ความโกรธชนิดแรงๆนั่นก็แทบจะไม่กลับมาอีกเลยนะหรือเป็นความโกรธเล็กๆน้อยก็มีแต่ว่าหายไปเร็วเพราะว่าจิตเขาจำสภาวธรรมได้นั่นเองนะนี่ก็เขาก็แปลกใจเออมันทำํำไมแบบนั้นเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเมื่อเราไม่แทรกแซงแล้วจิตมันเห็น เห็นในความโกรธนี่แหละจิตเขาก็จําได้ว่าความโกรธมันคือความทุกข์นะมันคือความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อจะเกิดใหม่ครั้งหนึ่งจิตเขาจําได้ที่เราจําไม่ได้เราปิดเราปากไว้แต่จิตมันจําได้เราปากไปปุ๊บจิตจําได้ปุ๊บเราก็เลยหยุดปากทันทีแล้วมันหยุดทันทีเลยเพราะจิตมันจําได้แล้วมันก็หยุดไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าจิตเขาจําได้จําได้เพราะเราเขาก็เห็นเห็นบ่อยๆแล้วก็นะเห็นบ่อยๆเห็นนานๆเห็นบ่อยๆก็จําราภาวธรรมได้เองเนี่ยจําได้นะหรือคนที่เคยอกหักนะ อกหักครั้งแรกก็มันบุนแรงนะรู้สึกว่าเรามีความทุกข์มากจังเลยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่ความคิดตลอดเวลาวนอยู่ในความคิดออกจากความคิดไม่ได้มีแต่การซึมเศร้านะอยากจะอยู่คนเดียวบางคนก็อยากจะฆ่าตัวตายนะแต่มันเริ่มจาําัภาขาทำได้ละอะพอมาเจอคนที่สองแล้วพอมันจะเกิดกันอีกมันก็จําได้ละมันก็จะเบาลงมันก็ไม่อยากจะเข้าไปอะไรแบบสมัยก่อนแล้วอะที่จะทุ่มเทจิตใจเต็มที่ไปรักเขาเต็มที่อะไรทั้งหลายแหละมันก็เบาลงไปละ พอมันเกิดขึ้นมาใหม่เกิดอกหักครั้งหนึงมันก็จะเบากว่าครั้งแรกเนาะพอมันมันรู้แล้วตัวนี้มีความคือความทุกข์จิตมันจำได้เองนะต่อไปครั้นที่สามขั้นที่4ี่ก็ไม่เป็นไรละมันก็เบาผ่านหมดเนาะคืออารมณ์ทุกอย่างเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นไม่บ่อยๆแล้วจิตมันจะจำได้เพราะทุกทุกทุกอารมณนเช่นความอิจฉาความเครียดความเหงาความกลัวความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจอะไรพวกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งหมดเลยนะ จิตก็เห็นไม่บ่อยนะเขาก็จําสภาวะธรรมได้เองเมื่อจิตก็จําได้เขาก็ไม่เอา <c oughs> เขาก็มาขึ้น <c oughs> เขาก็ปล่อยปล่อยปล่อยหมดแล้วเพราะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นความทุกข์นะเมื่อจิตจิตที่เห็นทุกขนะ์ก็พ้นจากทุกข์ได้เขาเพราะเหตุ น, นี้นะเขาจิตเขาจําได้แล้วนี่คือความทุกข์ความทุกข์ทั้งหมดเลยความรักก็เป็นความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงจิตมันจําได้ทุกอย่านงะมันรู้ว่าทุกอย่างคือความทุกข์หมดเมื่อเมื่อเห็นทุกข์ก็จะพ้นจากทุกข์หลวงพ่อคำเคืองบอกว่าผู้ได้เห็นทุกขคนนั้้จาาากกวมทุเรูอง ไม่ใช่เรารู้จักนะเราก็รู้จักในระดับหนึ่งแต่จิตเขารู้จักอีกระดับหนึ่งเราต้องทําให้จิตเขารู้จกักเมื่อจิตเขารู้จักแล้วนะเขาจะปล่อยเขาจะวางเองเพราะเขาจะรู้แล้วว่านั่นคือความทุกข์เพราะกายเปิดธรรมก็คือไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่เป็นความคิดความคิดเช่เราคิดในเรื่องไม่เที่ยงเรื่องความทุกข์เรื่องหน้าตาจริงๆเป็นแค่ความคิดแต่เราต้องให้จิตต้อเห็นบ่อยๆเหมือนกันนะความไม่เที่ยง ความทุกข์หรืออนัตตาบังคับบัญชาไม่ไดคือให้จิตเขาเห็นบ่อยๆเห็นซ้ําแล้วซ้าอีกแล้วจิตเขาจะจําได้เองเขาจะเกิดการเข้าใจนะเมื่อจิตเขาเข้าใจเขาก็ปล่อยเขาวางอันนี้คือว่าเป็นของจริงนะเนี่ยมันจึงมีระดับความคิดคือพวกเรารู้หมดแหละอันนี้จังรูกอนัตตารู้หมดแต่ว่าจิตเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจนะต้องให้เขเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยปฏิบัติธรรมก็ให้เขาเห็นบ่อยจิตเขาก็ปล่อยเขาก็ไม่ยึดติดนะครั้นี้เมื่อเราถึงตรงนี้แล้วมันก็เห็น มันจิตเมื่อตื่นรู้ขึ้นมาแล้วนะจิตมันตื่นรู้มันก็ จ, จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไปนะมันก็จะดูขบาวธรรมที่มันเป็นไปในในกายและใจได้เห็นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์ต่างๆนะตรงนี้มันเห็นไม่ยากมาแล้วก็ไปแล้วก็พอจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นความคิดมาแล้วก็ไปนะเห็นอารมณ์ต่างๆมาแล้วก็ไปความโกรธมาแล้วก็ไปมันก็เห็นได้ข้นมนะ เห็นชาเห็นเร็วไม่เป็นไรก็ให้มันเห็นนั่นแหละใช่ไหมอาจจะตั้งนานก็ไม่เป็นไรแต่เขาเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่ไม่นอนมีความแปรปวนเนี่ยจิตก็เห็นนะเห็นความไม่เที่ยงในตรงเนี้เสียหลบต่างๆคือความแปรปวนทั้งหลายเป็นความไม่เที่ยงพอจิตก็จะเข้าใจเออเราบังคับเขาไม่ได้จิตเป็นเช่นนั้นเองนะบางทีมันคิดอยู่เรื่อยๆนะคิดตลอดเวลาทั้งวันนะไม่รู้ว่ามันจะคิดถึงไหนให้ไม่รู้อนาคตมันจะคิด อะไรบ้างมันคิดทั้งวันอันนี้มันก็ไม่ไม่เป็นไรนะตรงเนี้ยมันก็แสดงความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าคิดแล้วมันไม่ดีคิดแล้วเราไม่มีสติไม่เป็นไรเรารู้ความคิดเห็นความคิดก็ใช้ได้ไม่หยุดก็ไม่เป็นไรก็ดูนไปนะตรงนี้ก็เห็นเออมันก็ทํางานเองนะมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มันหยุดมันก็ไม่เป็นไรนะหยุดแล้วก็มีสติรู้เท่าทันก็หยุดไม่หยุดก็ไม่เป็นไรอีกใช่ไหมมันก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็แสดงว่าเราบังคับเขา เพราะนั้นทุกสภาวะทำไม่ว่าจะรู้แล้วไม่รู้จะหลงแล้วไม่หลงจริงๆมันก็เท่ากันในพระไตรลักษณ์ก็คือความไม่เท่าเป็นทุกข์นักทานทั้งหมดนั้นไม่ต้องไปเอาดียิ่งเอาดีนะยิ่งช้านะยิ่งเอาดีบางคนเอาดีเนี่ยอ่าตั้งใจมากเกินไปไปคอยเพ่งคอยจ้องให้เขามีสติตลอดเวลานะให้เขารู้สึกตัวตลอดเวลานะตรงนี้ก็ผิดเลยใช่ไหมออันนี้บางคนนะทำแล้วจะเข้าใจเออะบางคนก็มารายงานเเริ่มเห็นแล้วมันมันมันก็คือเป็นหล็กเส้นเป็นอย่างไรนะก็คือ มาตั้งใจมากมันก็จะรู้ยาวๆนะแล้วก็จะเห็นสภาวธรรมนั่นแหละก็คือการที่เราเริ่มที่จะประคองตัวรู้นานๆ น, น, นะมันก็ไปคอยเพ่งคอยจ้องนั่นแหะมันก็ทําให้มันเกิดความเครียดเกิดความมึนหัวต่างๆเหล่านี้นะทั้งท่ามันก็ดูมันก็ดีใช่ไหมรู้สึกตัวได้นานๆสามารถประคองตัวรู้ได้นานแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เนาะนั่นแหละก็คือการที่เราไปบังคับเขาคือการเอาดีทั้งหลายแหละนะเอาดีคือไม่สงบทํำให้สงบอ่า ไม่ดีถ้ามันเขาดีโกรธถ้าไม่เขาหายโกรธนะหรือสิ่งใดที่เราไม่ชอบไว้จัดการเขาดีไปแทรกแซงทั้งหมดเนาะอันนี้อันนี้ก็คือการแทรกแซงทั้งหมดเลยอันนี้คือเราไปยุ่งเกี่ยวไปจัดการเขาไปกดผมเขาอันนี้มันคือสมรรถะทั้งหมดเลยนะเพราะการปัตธธรรมนี่แท้จริงคืออะไรก็คือให้เราเห็นตามเขาเป็นไม่ใช่เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะถ้าให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการก็คือเปียวดีนั่นเองนะเขาเราอยากเปีวดีเราก็ให้เป็นไปตามเราต้องการก็คือตามเราต้องการนั่นแหละ ไปกดข่มไปบังคับเขาให้เขารู้นานๆให้เขาไม่ไม่ให้เขาไม่ไมไมโกรธนะให้เขาดีนะให้เขาไม่หลงให้เขาสงบอะไรเงี้ยคือเอาดีนะจัดการกดข่มเขาเป็นสมะถะนะอ่าเป็นสภาวธรรมที่เราไปไปแทรกแซงนะเป็นการแทรกแซงไม่ใช่เป็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเพราะธรรมชาติตามความเป็นจริงคือรูต้ตามเขาเป็นก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ามีโทสะรู้มีโทสะมีโลภะรู้มีโทโลภะ มีราคะก็รู้มีราคะใช่ไหมมีความหลงก็รู้มีความหลงนี่ก็คือเรารู้ตามก็เป็นไม่ได้ไปแทรกแซงเขาเนาะอันนี้มันจะเห็นสภาวะทที่เขาเกิดแล้วก็ดับเองแต่เมื่อใดที่เราเริ่มแทรกแซงเช่นมีความคิดก็ให้ดับความคิดนี่แหละมันจะมีตัวตนเราไปจัดการเขาอยู่แล้วมันจะมีตัวเราโตขึ้นไปตาตัวตนแต่เราเห็นความเป็นจริงว่าเออมีความคิดก็ไม่เป็นไรเราแค่ดูเขาเท่านั้นเองนะเราก็ใจกล้าดูไปคิดนานก็ไม่เป็นไรรู้ทันมันดับก็ไม่เป็นไรคิดนานไม่เป็นไรนี่มันไม่มีตัวตนเขาไปแทรก แล้วจริงๆเขาก็แสดงความเกิดดับ้เราเห็นตรงนี no ้เราจะเห็นภาวะที่เขาเกิดดับโดยตัวเขาเองโดยเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวนี่มันการเห็นเกิดดับก็เห็นมาไตรักแล้วเนาะอารมณ์ต่างๆก็ไปบันี้ทั้งหมดนะเราก็ไม่แทรกแซงทั้งหมดเราก็จําได้เห็นมันเห็นบ่อยๆจิตมันก็จําได้เองนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับจิตมันก็เกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดนะตรงนี้จริงๆแล้วหลวงเทียนก็บอกว่าไม่ต้องติดอะไรเลยแม้แต่ไปบันท่านก็ไม่ให้ติดนะปัจุบันก็ไม่ให้ติดแม้แต่ตัวรู้ท่านก็ไม่ให้ติด นะหรือว่าท่านบอกว่ารู้สิ่งใดก็ไปติดสิ่งนั้นนั่นแหละเพราะนั้นมันต้องต้องผ่านคือรู้แล้วก็ผ่านผ่า น, ผ, า น, ผ, านผ่านหมดเลยนะมันจะไม่ติดในอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมมันเป็นลักษณะที่รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางไม่ต้องไปติดในเ่าทําใดนะรู้ท่านบอกรู้โดยแมงรู้อะไรมันเป็นสุดยอดธรรมะเลยมันมันจะมาตรงที่หลว่าคำเขียนบอกไม่เป็นอะไรกับอะไรนะก็คือไม่ไม่ได้เอาอะไรกับมันมันติดตรงนี้ก็คือผ่านหมดทุกอย่างเนาะ เพราะจิตที่ไปติดในสภาวะธรรมใดก็แล้วแต่นะมันจะมีควบคุมรองรับอยู่ถูกสภาวะธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันต้องทําให้ได้ก่อนจิตความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยทาให้ได้ก่อนพอหลังอย่ากนี้แล้วเมื่อถึงจังหวะที่มันตายมันก็ไม่ไปสร้างภพสร้างชาติต่อเราไม่ได้ไปรอทําตอนตายเราต้องทําในปัจจุบันนี้ให้ได้ถ้าไปวันทําไม่ได้อนาคตมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีก็คือปัจจุบันขณะดนี้แหละเรารู้ทันไหมรู้ทันแล้วปล่อยผ่านไม่ไปติดเข้าไหมในตรงเนี้ยใช่ไหม ปัจจุบันคือแล้วก็คือความสดสดในขณะนี้สดสดนะสดสดแล้วก็รู้สดสดในตรงนี้นะมันแค่แวัเดียวปัจจุบันแค่วบเดียวเท่านั้นเองนั่นมันไม่ต้องรู้ว่ามันต้องนานหรือต้องยาวหรืออดีตอะไรรู้สดสดนียรู้นะนั่งยืนเดินนอนขยับปุ๊บรู้สึกตัวนะแกว่งแขนก็รู้สึกตัวยกมือก็รู้สึกตัวรู้แล้วก็ทิ้งเลยนะเป็นความรู้สดสดรู้ใหม่ๆรู้ณปัจจุบันปัจจุบันก็แป๊บเดียวมันไม่ไม่ต้องว่า ปฎิบัตมันจะยาวนะไม่ใช่มันแว็บเดียวท่านเรีรู้สดๆแลทิ้งนะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละง่ายๆเนาะก็ใส่ตัวนี้เป็นเครื่องรู้เราก็จะรู้เท่าทันจิตใจของเรานะตรงนี้มันเมื่อรู้ตรงนี้แล้วภพชาติมันก็มันก็ดับไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปฏิจจสุบาริก็บอกว่าอ้าววิชาปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารปัจจัยเกิดบิญญาณบินญาณปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นจิปัจจัยเกิดสลายจตนะก็คือตาหูจมลิ้นกายใจ สายนะเป็นปัใจจัยเกิดภาษาคือการกระทบะเมื่อตาได้กระทบะภาษาเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาก็เกิดความชอบหรือความชังหรือเฉยๆเวทนาเปัใจจัยเกิดตัณหาก็คือความทยานอยากไปในทางไม่ทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้ตัณหาปัใจจัยให้เกิดอุปทานนะคือการยึดติดในสภาวธรรมต่างๆ โอภาทานปัจจัยเกิดพบเกิดชาติเกิดชารามรณ ะ, ะตามา น, นี่คือปฏิจจะที่มันไปกระบวนการในทางจิตเรานะมันกะต้อง ร, รู้เท่าทันในกระบวนการว่าเราติดตรงไหนติดตรงไหนอรู้เท่าทันเวทนาไหมรู้เท่าทันตัณหาไหมรู้เท่าทันโอภาทานไหมโอภาทานเนี่ ม, นมันสังเกตที่ว่ายอย่างที่ว่าเนี่ยเราติดในตรงไหนไหมติดในความโลภความโกรธความหลงไหมใช่ไหมอย่างถ้าเรามีความโกรธก็มีครอบปูมรองรับใช่ไหมมีนรกรองรับมีบอกอยู่แล้วนะ อบทานปัจจัเกิดพบเกิดชาติก็มีควบคุมรองรับแนละ้วก็คือเกิดความทุกข์ในใจเราก่อนเกิดความร้อนในใจเราก่อนเป็นนรกในใจเราก่อนถ้าเราตายแล้วตรงนี้มันยังไม่ดับก็มีควบคุมที่เป็นนรกจริงๆรอเราอยู่แล้วเนาะเนี่ยใจเราต้องผ่านผ่านหมดมันไม่ติดในะพราหมณ์ธรรมใดเลยนะมันเหมือนกับใบบัวนะใบบัวเนี่ยน้ํำหยดลงไปก็ผ่านผ่านผ่านทุกทุกทุกทุกหยดมันจะไม่ติดเนาะนี่คือภาวมธรรมนี่มันผ่านนะแต่ถ้ามัานมันเป็นกระดาษทิชชู่มันก็จะติด ตรงนี้ก็ต้องสังเกตใจเราให้ได้ว่ามันติดอะไรไหมนะใจมันรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็วางมันก็ไม่ติดในอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ติดในความดีใจอ่าหรือว่าความรักความชังอารมณ์ทั้งหลายก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะไม่ติดในอะไรเลยเนี่ยตรงนี้คือภาวะที่ว่าวมันมันมันเข้าสู่ความเป็นภัตตาหักแล้วภัตตาหลักก็คือมันไม่ตัวไม่ตนนะใช่ไหมถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็ยังยึดิดตรงนี้อยู่เป็นตัวเป็นตนมันก็มีมีเรารักเราชังเราเกลียดเราโกรธเราโลภเราหลง มันก็มีอารมณ์ของเรานะตรงเนี้ยถาต่แเราไม่มีตัวไม่ตนมันก็ผ่านหมดใช่ไหมมันผ่านหมดไม่มีคือมันไม่มีไม่มีอะไรให้มันยนะึดเนี่ยไม่มีตัวตนให้เรายึดไม่มีอะไรสักอย่างมันก็ผ่านหมดความตัวตัวเนี่ยคือการที่เราบรรลุธรรมในการที่เราว่าเราเราเห็นอ่าเห็นความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกขมันตามมันเราก็บรรลุธรรมในตรงนี้ได้ใช่ไหมตรงนี้ก็พระวิจารณ์ก็ได้ตัดไว้แล้วว่าเ อ, อ่อ ส, สัพเพสังฆาราณิจาสัพเพสังฆาราทุกขาษษษษ style, ส, าสัพเพธรรมานตาตินะ ก็คือรวมทั้งหมดเลยนะหน้าตาก็คือทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารนี่ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะรางกายก็ไม่ใช่ของเราใจก็จึงไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดจากใจเช่นอะารมณ์ต่างๆหรือว่าความปรุงหรือว่าอาการขอ ง, ของใจคือ этим, อารมณ์ต่างๆ <k> ก็จึงไม่ใช่เราด้วยนะใจไม่ใช่เราเพราะสิ่งที่เกิดจากใจก็ไม่เราเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความโกรธก็จึง so ไม่ใช่ของเรานะ <k> ไม่ไม่ใช่เราเลยเข้ามา มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามธรรมชาติเราบังคับเขาไม่ได้เข้ามาแล้วก็ไปแค่นั้นเองนะไม่ได้ไปยึดติดตรงนี้เพราะฉะนั้นความบกพร่องทั้งหลายก็คือเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องเรื่องของเรานะใจก็ไม่ใช่เราเราก็รู้ว่าความบกพร่องเป็นเรื่องใจไม่ใช่เราเท่านั้นเองเนาะมันก็จะผ่านหมดใช่ไหมแต่เมื่อใดที่เป็นเรามันก็จะไม่ผ่านนะเพราะ น, นั้นการที่มันผ่านผ่านนั่นแหละมันจะเป็นการยืนยันว่ามันไม่ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนาะตรงนี้ก็คือเราก็มีปัญญาเห็นไม่บ่อยนะเห็นสภาวะต่างๆเกิดแล้วก็ดับไปบ่อยไม ตรงนี้ก็คือไม่ให้ค่าในสิ่งต่างๆนะอ่าเห็น <c oughs> ความคิดไม่เข้าไปในความคิดก็คือไม่ให้ค่ากับความคิดแล้วก็ไม่ให้ค่ากับอารมณ์ต่างๆนะมันก็จะผ่านผ่านทุทกๆุอย่างนะตรงนี้ก็มีคนเคยถามหลวงปู่ดูลว่าอ่าตอนที่ก่อนจะตายจะทําอย่างไรคือคนถามเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ไ ด, ได้ชาระดับสูงแล้วหลวงปู่ดูก็บอกว่าอ่าก็คือให้ทําใจให้เป็นหนึ่งหลังนั้นก็ปล่อยทุกอย่างเลยปล่อยทุกอย่างก็คือไม่ยึดติดอะไรเลยก็จะจบเรื่องกันนะ ก็จะจบเลยก็คือบรรลุธรรมขั้นสูงเลยเนาะก็คือใจผ่านทุกอย่างแล้วไม่ได้ติดในอะไรแล้วก็มีคนถามหลวงปู่ดูลว่ามีใครละความโกรธได้ได้ได้ขาดไหมหลวงปูด่ดูลบอกไม่มีใครละได้เด็ดขาดหรอกมีแต่ลู่ทันแล้วก็ดับไปเราถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ยังมีความโกรธอยูไ่ไหมหลวงปู่ว่ามีแต่ไม่เอาเนาะ ก็ค <southwest> <Ja>. ือเนี <bouncy playing> ่ยเป็นสภาวะธรรมที่สุดยอดเลยก็ค <implemented roz> um go. so ือมันมีได้นะมันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันไม่ยั่ของเราก็เลยไม่เอามันก็คือไม่ค่าสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่เอามันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงแนวมันจะรู้เลยการปฏิบัธรรมมันก็ไม่ยากนะไม่ใช่ปฏิวัติแล้วต้องไม่มีความโกรธพลานต้องไม่มีความโกรธอันนั้นเป็นอีกสภาวะธรรมหนึ่งแต่ว่าถ้ามีแล้วเราไม่เอาเนี่ยมันจะง่ายกว่าตั้งเยอะใช่ไหมไม่ต้องไปกําจัดให้หมดไปแต่มีแล้วเราไม่เอาเพรเพราะมันไม่ใช่ของเรานั่นเองนะมันเป็นเรื่องของความบกป่องเป็นเรื่องจิตไม่ใช่เเรราาจิตไม่ก็คือ ไม่ใช่ของเรานั่นเองนะตรงเนี้มันก็ออกจากตัวเราก็คือเราไม่ฆ่าก็คือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนาะก็คือมันทุกอย่างก็เกิดได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ไม่ใช่เราแค่นั้นเองนะมันก็จะผ่านทูกๆลมเนี่ยเพราะงั้นการปฏิธรรมไม่ต้องไปรอว่าตอนนี้ผ่านในชาติหน้าชาตินู้นไกลๆนะดับในปัจจุบันเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้ฆ่าเขาไปปล่อยเขาไปสภาวะต่างๆรู้เท่าทันก็ก็ไม่ไม่ยุ่งเขานะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติตามธรรมดานี่แหละ นีมันก็เป็นมันก็แยกจากกัรนะกิเลยก็อยู่ส่วนหนึ่งเราอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นในใหม่ๆก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ไม่เฉยเฉยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะรู้เท่านั้นเองรู้แล้วก็รู้สึกตัวแค่นี้รู้ในไปบันรู้สดๆเนีไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจธรรมะเนาะเพราะในไทยส่วนนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณมรรตนาตรน้อมนรุท่านเจริญอุศีนสติสมาธิปัญญาระถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันุท่าน